อันนี้เป็นงานกระถินพระราชทานพระองค์ท่านเสด็จพระองค์โสมท่านจ ะ, จะเสด็จอย่างหมายกำหนด ก, การออกมาส4บสี่ศูนูนอบ่ายสิบหศูนูนอบ่ายสี่โงบ่ายสี่มงเย็นพระองค์จะเด็จถึงวัดเราแต่วัด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 หลวงพ่อก็คิดเพียงเท่านั้นแหะไม่ได้คิดมุ่งหวังอย่างอื่นเพียงตัว่าเราได้คุณค่าได้ดื่มน้ำอันใสสะอาดบริสุทธิ์เพราะพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อเราได้ดื่มน้ำใช้อันบริสุทธิ์แล้วก็ควรจะแนะนำให้คนอื่นๆได้รับ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 พยุงตอนให้ผู้อื่นช่วยจึงจะอยู่ได้เนี่แหละร่างกายของเราเนี่สรุปแล้วก็คือถึงจุดจบ ไ, ไม่มีใครที่จะเกินไปได้อย่างที่หลวงพ่อว่าเแี่ที่หลวงพ่อพูดว่าแกนะเจ็บนะตายนะเหมือนเอาความตายมาขู่กันแต่ตามไม่จริงก็ครูกายนั่นแหละเหมือนหลวงพ่อพูดนะเอาไม้เลียวมา ถ้าลิงตัวไหนที่ขอเอามาเลี้ยงไว้นะ่ะมันหญิงเกี่ยวใส่คนบ้างกระโดดหน้ากระโดดหลังมันดุนะเจ้าของจับไม้เลียวมาเกะเคาะอกับพื้นจ้ะเอาไม้เหลี้ยวมาเคาะกับพื้นปกัปกปกัปกปักปัก <laughs> ลิงก็จะหยบลงไปหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะ พี่น้องประชาชนสัตธทยญาติโยมนะอย่าคึกขนองเกินไปอย่าลืมตัวเด้อเกินไปนะชีวิตเนี่ยมันมันเหมือนน้ำค้างใบบัวนะไม่รู้จะเร่งตกลงเมื่อไหร่ไม่มีใครรับรองรับประกันได้เพร้อมที่จะตกได้ทุกโอกาสในทุกเวลาเพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายสิ่งไหนคือคุณงามความดีในหลักธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์